บัดนี้จักได้แสดงธรรมรกาซื้อต่อไปจงพากันตั้งใจฟังโดยสัจจะเคารพเถิดมีหัว้อที่8อันตรายแห่งชีวิตธรรมาบทนี้จะฟังดีๆนะได้ข้อคิดเยอะมากเลยพระพุทธภาษิต อธิวัตสังวสิสมิอธิเหมันตะคิมหิสุอิติภาโลวิจินเตติอันตรา ย, ยัางนพุชติแปลว่าเราจะอยู่ตลอดฤดูฝนในที่นี้เราจะอยู่ในที่นี้ในฤดูหนาวและฤดูร้อนคนผ่านย่อมคิดอย่างนี้หารู้ถึงอันตรายไม่ อธิบายว่าพระพุทธภาษิตนี้กล่าวได้ว่าเป็นพระพุทธภาษิตเฉพาะการเฉพาะบุคคลคือทรงปรารพพ่อค้าผู้มีทรัพย์มากที่ไปพักติดน้ำท่วมอยู่ในที่แห่งหนึ่งและตั้งใจจะพักอยู่ที่นั่นต่อไปในฤดูหนาวและฤดูร้อนแต่ชีวิตของเขาจะถึงความสิ้นภายในเจ็ดวันเขาหารู้ไม่ว่า พระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนี้จึงให้พระอานน์ไปบอกเขาเพื่อให้เขาจักได้เตรียมตัวสำหรับเดินทางไปพอะโลกเรื่องประกอบพ่อค้านั้นบรรทุกผ้าซึ่งย้อมด้วยดอกคำจนเต็มเกวียนห้ารอยเล่มออกจากกรุงพราราณสีมาค้าขายที่กรุงสาวัตถี เขาถึงฝั่งแม่น้ำแล้วคิดว่าพรุ่งนี้เราจะข้ามแม่น้ำปลดเกวียนแล้วพักอยู่ริมฝั่งนั่นเองตอนกลางคืนฝนตกหนักแม่น้ำเต็มเปี่ยมด้วยน้ำอยู่ถึงเจ็วันเขาข้ามไม่ได้คนในนครก็เล่นมหัศกันเจดวันการขายผ้ายอมด้วยดอกคาคงไม่เป็นไปด้วยดีพ่อค้าจึงคิดว่า เรามาจากที่ไกลถ้าจะเดินทางต่อไปอีกก็แต่เนินช้ามากเราจะทำการงานของเราที่นี่แหละทั้งในฤดูฝนฤดูหนาวและฤดูร้อนคือจะตั้งเกวียนขายผ้าอยู่ที่นี่พระาศาสดาเสด็จไปบิณฑบาตในนครมีพระอานนุเป็นปัจฉาสมณนะทรงทราบความคิดของพ่อคาแล้วทรงแยมพระอาหนุ์ทูลถามจึง ตรัดว่าพ่อค้านั้นตั้งใจจะขายของอยู่ตรงนั้นตลอดสามฤดูแต่ไม่รู้ถึงอันตรายของชีวิตเขาจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงเจดวันเท่านั้นพระพุทธองค์ตรัดต่อไปว่าความเพียนเครื่องเผากิเลสควรทำในวันนี้ทีเดียวใครจะรู้ได้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้เราจะผัดเพี้ยนด้วยมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ ก็ไม่ได้มุนีผู้สงบเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนั้นผู้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นผู้มีราตรีเดียวเจริญอันนี้ก็คือพัทธกรัตะสูตรที่เราเคยสวดกันพระอนุนทูลว่าจะไปบอกให้เขาทราบพระาศาสดาตรัสว่าถ้าคุณเคยกับเขาก็ไปบอกเถิด พระเถระไปหาพ่อค้าถามว่าจะอยู่ที่นั่นนานเท่าไรพ่อค้าแจ้งความตั้งใจของตนให้พระเถระทราบพระอานนุจึงว่าอุบาสกอันตรายแห่งชีวิตรู้ได้ยากไม่ควรประมาทอันตรายแห่งชีวิตจะมีแก่ข้าพเจ้าหรืออุบาสกชีวิตของท่านจะเป็นไปได้อีกเจ็ดวันเท่านั้นเขาเชื่อพระอานนุนมีจิตสังเวช นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขถวายมหาทานตลอดเจ็ดวันพระาศาสดาทรงอนุโมทนาว่าอุบาสกธรรมดาบัณฑิตไม่ควรคิดว่าเราจะอยู่ในที่นี้ตลอดฤดูฝนจะประกอบการงานชนิดนี้ชนิดนี้ควรคิดถึงอันตรายแห่งชีวิตของตนดังนี้แล้วตรัสว่าอธิวัตสังวสิสมิเป็นอาทิมีระยะ ดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาพ่อค้าได้บรรลุโสดาปติผนนี่ก็เป็นข้อคิดที่สำคัญเหมือนกันแต่ใช้คำว่าคนผ่านยอมคิดแผนการว่าเราจะอยู่เท่านั้นเท่านี้หรืออยู่ตลอดปีตลอดสามฤดูแต่หารู้ไหมว่าชีวิต ของตนเองนั้นจะอยู่ได้นานเท่าไรอันนี้เป็นข้อเตือนใจด้า น, นความบาดหวังความคิดของเราอย่าปล่อยให้มันปรุงแต่งไปซึ่งมันไม่ใช่ความจริงแต่ถ้าในมองย้อนกลับถึงชีวิตที่เหลืออยู่ที่เราจะไปข้างหน้านี่เรากาหนดไม่ได้ไม่ว่าหนุ่มไม่ว่าแกนะน่ ชีวิตนี่ไม่เลือกนยเด็กมันยังไม่เลือกเลยอยู่ในท้องก็ยังไม่เลือกเลยเนี่ยมันไม่เลือกหรอกถ้าคิดให้ดีมันก็เหมือนกับบาสุกที่ว่าเกิดสังเวชสังเวชในชีวิตเห็นไหมพอเขารู้พบกนี่ยเขารีบทําความดีทันทีเลยสร้างอารมณ์ที่ดีแต่เขาก็โชคดีว่าเขาอยู่ในวิสัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ใ น, นมนรคพระพุทธเจ้ามา เห็นไหมภายในเจ็ดวันรู้ว่าเจ็ดวันนี้ทําบุญมันเจ็ดวันไปเลยเจ็ดวันตายไม่ได้ตายดีๆไปได้อารมณ์ดีๆหน่อยนี่นี่ไม่พอบอกก็ร้องไห้ร้องไห้มันก็เอาคืนมาไม่ได้ได้เท่แต่เจ็ดวันมันจะตายมันก็ไม่ไม่ฟังแต่ถึงว่ามัจตุราชไม่ฟังใครอยู่แล้วเนี่นอ่มัตจุโนสังให้ลันเตนะาอะไรเนี่ยที่เราสวดกัน ความผัดเพียนต่อมัจจุราชย่อมไม่มีสำหรับเราเนี่คนอยู่ด้วยความไม่ประมาทอยู่ราตีเดียวประเสริฐหัวข้อที่9ก้ามัจจุกับผู้เมาในบุตรภรยายพระองค์ตรัสเป็นพุทธภาษิตว่าตังปุตตะปะสุสัมมตังพรยาสตะมณสังนารังสุดตังคามัง มโหโขวะมัจจุอาธายาคัติแปลว่ามัจจุย่อมพานรชนผู้เมาในบุตรและปสสุสัตว์ผู้มีใจคล่องในอารมณ์ต่างๆไปเหมือนห่วงน้ำใหญ่พัดเอาชาวบ้านผู้หลับอยู่ไปฉะนั้นความเมานั้นมีหลายอย่างเช่นเมาเหล้าเมารักเมาราบยศสลเสริญสุขเมาในบุตรภรรยาและทรัพสมบัติ เมาเหล้าคือการดื่มน้ำเมาอย่างใดอย่างหนึ่งจนมีอาการมึนเมาอาการมึนเมานั้นอยู่ในระดับต่างๆกันมากคือน้อยสุดแล้วแต่จํานวนน้ำเมาที่ดื่มเข้าไปเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจาทุกค่ำคืนเมารักคืออาการลุ่มหลงในเพศตรงข้ามจนกระทั่งลืมเหตุผล ผ, ลผิดชอบชั่วดีอย่างที่ท่านว่า เมาตันหาบ้ากามเพราะความรักมักจูงชักให้เสพผิดเหมือนติดฝิ่นกลืมมิดแท้แม่พ่อเพราะมลทินถึงเห็นอินหน้าเขียวไม่เดียวแลอาการของผู้เมารักคือไม่เห็นอะไรดีไปกว่าหญิงหรือชายที่ตนรักย่อมสละทุกอย่างเพื่อความรักช่างคุณค่าของสิ่งต่างๆในโลกนี้ว่ามีค่าน้อยกว่าความรักเสียสิน เมาลาบทำให้มีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดต้องลำบากตรากตรำเป็นอันมากในการสแสวงหาและการระวังรักษาหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกพอเป็นเหตุให้หาความสุขในชีวิตได้ยากเมายศก็เช่นเดียวกันทำให้ระเลิงไปว่าตนดีกว่าผู้อื่นเป็นเหตุยกตนข่มท่านเหยียดหยามเพื่อนมนุษย์ด้วยกันว่าตาต้อยกว่าตน จิตใจกระด้างอวดดีอวดเด่นเมาสรเสริญเหมือนดื่มเหล้าหวานอยากได้อยู่เรื่อยคืออยากได้อยู่เรื่อยเรื่อใครตำหนิเข้าหน่อยก็ไม่พอใจมากเมื่อเมาแล้วก็เป็นเหตุให้แยกไม่ออกว่าอันไหนเป็นคำสรรเสริญจริงอันไหนเป็นสรรเสริญปลอมโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคนที่อยู่ในฐานะสูงย่อมได้รับคำสารเสริญปลอมได้ง่ายทำผิด ทำไม่ชอบก็ไม่ค่อยมีใครกล้าติเตียนต่อหน้าปล่อยให้ทำไปแต่พอทำชอบเข้าหน่อยก็มีคนเสนอหน้ามาชมเชยเสียมากมายเมื่อบ่อยเข้าก็ทำให้หลงเข้าใจผิดไปว่าตนเป็นผู้ควรได้รับแต่สละเสริญประการเดียวหาควรมีใครมาตาหนิไม่จึงเป็นเหมือนเด็กที่ชอบกินแต่ของหวาน คำสรรเสริญมีคุณค่าในทางเป็นกำลังใจแต่ก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับคนที่หลงและเมามันเมาสุขทำให้ติดในความสุขนั้ น, น, นพอมีเรื่องต้องทุกร้อนเข้าหน่อยก็ทนไม่ได้สบายมาเสียจนเคยความจริงที่คนไม่ค่อยคิดถึงคือความทุกข์ต่างหากนิใช่ความสุขที่ทำให้คนเข้าใจชีวิตรู้จักชีวิตและรู้จักเพื่อนมนุษย์ตลอดถึง ได้รู้จักตนเองดีขึ้นเมาบุตรภรรยาเป็นเหตุให้ไม่มีเวลาเป็นของตนมัวยุ่งอยู่กับเรื่องบุตรและภรรยาตลอดวันตลอดเดือนตลอดปีมีความเพลิดเพลินลหลงไหลอยู่ในบุตรภรรยาจนลืมนึกถึงสังขารและความเป็นไปอันแท้จริงของตนความเพลิดเพลินความทุกโศกความยุ่งใจและความกังวลเพราะบุตรภรรยานั้นมีคละเคล้ากันไปประเดี๋ยวก็สุขประเดี๋ยวก็ทุกข์ ประเดี๋ยก็หัวเราะประเดี๋ยก็ร้องไห้บุคคลผู้รักบุตรภรรยานั้นไม่ควรรักจนหลงเพราะความหลงทำให้บุตรและภรรยาเสียคนได้ง่ายที่สุดเมาทรัพย์สมบัติมีในยะเดียวกับที่กล่าวมาแล้วในเรื่องราภผู้มีปัญญาอาศัยทรัพย์สมบัติเป็นเพียงเครื่องอุปกรณ์แห่งชีวิตเป็นนายแห่งทรัพย์สมบัติส่วนคนโง่เอาตนเป็นทาสของทรัพย์สมบัติ ยอมทําความชั่วเพราะเหตุแห่งทรัพย์สมบัติเช่นปล้นทรัพย์รักทรัพย์โกงหรือยักยอกตลอดถึงฆ่าคนเพื่อชิงทรัพย์ทรัพย์นั้นมีทั้งขุนและโทษสุดแล้วแต่การเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันบุคคลผู้เมาอยู่อย่างนี้มีจิตคล้องในอารมณ์ต่างๆอย่างนี้ย่อมไม่พ้นจากมัจจุได้ย่อมตกอยู่ในอํานาจของมัจจุเหมือนคนหลับตกอยู่ในภายใต้อํานาจของห่วงน้ําใหญ่ที่พัดท่วมทับ ในราตรีฉะนั้นเรื่องนี้พระศาสดาสแสดงเมื่อประทับอยู่ที่วัดเชตวันทรงปราบรนางกีสาโคตมีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพิสดารของนางกีสาโคตมีท่านได้พรรณนาไปแล้วในสัหั ส, สวัคคะวันน า, นาความย่อว่านางกีสาโคตมีลูกตายนางเที่ยวอุ้มลูกไปขอยาแก้ความ ตายจากที่ต่างๆมีผู้แนะนำให้มาหาพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ให้นางไปหาเมล็ดผักกาศในหมู่บ้านที่ไม่มีใครเคยตายเลยนางหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้เพราะทุกแห่งมีคนตายทั้งนั้นนางสังเวชสลดใจว่าความตายไม่ได้มาถึงบุรของนางผู้เดียวเท่านั้นแต่มาถึงสรรพสัตว์ทั่วหน้านางทิ้งบรแล้วกลับมาเฝ้าพระศ า, าสดาพระพุทธองค์ตรัสถามว่าโคตมี มเมล็ดผั ก, กาศกรรมมือหนึ่งเธอได้แล้วหรือไม่ได้พระเจ้าข่าเพราะในบ้านทั้งปวงเคยมีคนตายแล้วทั้งนั้นและคนตายมากเหลือเกินพระทศพลจึงตัดว่าเธอเข้าใจว่าบุตรของเราเท่านั้นที่ตายแต่อันที่จริงความตายเป็นธรรมอันเที่ยงแท้ทั่วไปของสัตว์ทั้งปวงมัจจุราชย่อมฆ่าสัตว์ทั้งหลายผู้ยังไม่เต็มปรารถนาแล้วสัตว์ลงไป ในมหาสมุทรคืออบายดุดห่วงน้ำใหญ่พัดผ่าเอาสัตว์ทั้งหลายไปฉะนั้นพระชินสีตรัสต่อไปว่าตังปุตตะปสุสัมมตังเป็นอาธิมีนัยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบพระธรรมเทศนานางกีสาโคตมีบรรลุโสดาปฏิผลอันนี้ก็เป็นอุบายบางครั้งคนทุกข์มากๆเนี่ย จะใช้ทำตรงๆก็ลำบากเขารับไม่ได้นะเนี่ยเหมือนครั้งหนึ่งเคยไปกับทนะ่านอาจารย์ยนะอะไรเงี่ยเดี๋ยวมาเลเซียอะไรเงี่วันนั้นสามีเป็นสถาปนิกนะี่ยทำโครงการสะพานลอยนี่แหละสะพานลอยมรดกทางที่เขาทำกันให้รถขับรถไปยังไงสะพาน มันหักทับลงมาทับรถคนตายไปหลายคนว่าองั้นเนี่รถก็ถูกทับคนตายสามีก็ตายลูกก็ยังเล็กๆอยู่นโอ้ยนางทุกข์ทุกข์จนจะเป็นบ้าเสียสติเลยว่างั้นนก็พาพามหาอาจา ร, รยา์นณะท่านเราให้ฟังท่านก็ ทเทเรื่องอย่างนี้ให้ฟังเข้าหาประแช่งก็คนบางทีมันเวลาตรงมามันก็ไม่ได้เลยเก็บอกว่าไม่จริ ง, รงเป็นไปไม่ได้โหมันรับไม่ได้เลยนะเด็กพระไตรจ่าต้องใช้อุบายไม่ได้บอกตรงๆ น, นี่ใช้อุบายไปหาเม่ด็ดพัน์ประกาศมาให้กำมือหนึ่งจะเอาลูกเธอคืนมาได้แน่นอน แต่ว่าพี่ขอแม่แต่ว่าต้องเอาไม้เล้ฟันประกาศในบ้านที่ไม่มีคนตายนะ <in aud lusion> เป็นอุบายเห็นไหมเท <in my> ่านี้แหละพระเจ้าไม่ต้องออกแรงเลยไม่ต้องเป็นลบเลยไปที่ไหนก็มีให้แล้วไมาเด้ยฟันประกาศกรมือเดียวให้พอกำลังจะไปแล้วบ้านนี้มีคนตายมีว่าเดือนที่แล้วพี่สาวตายบ้านหนึ่งโอ้ก่อนนั้นก็พ่อตายแม่ตาย น้องชายตายโอ้ยลูกตายโอยไปบ้านไหนบ้านไหนมันก็สุดท้ายอันนั้นแหละเป็นการสอนให้เขาได้คิดเลยแต่คนนี้เขาเป็นอย่างนั้นจริงแต่ว่าความทุกข์มันก็มีขอบเขต จ, จำกัดของมันถึงที่สุดมันก็ไม่ทุกไปถึงไหนถ้าไม่เป็นบ้ามันก็ดีนะยังโชคดีนี่ในสมัยพุทธกาลเป็นบ้ากันเยอะเลยแต่ก็โชคดีเป็นบ้าก็โชคดีเป็นบ้า หลงเข้าไปในวัดว่าหลงเข้าไปได้ฟังธรรมพระเจ้าให้ทำแอ้วก็ได้สติขึ้นมาเนี่ยี่คนที่อาจารย์ท่านว่านี่ก็เหมือนกันตอนหลังมันไม่มีทางไปมันก็ต้องพึ่งพระพึ่งครูบาอาจารย์เหมือนกันนะพอมาคิดได้เลยมาขอขมาขอขมาเหมือนตึ้งที่สุดเหมืนเลยอดเด็กได้จะไปเถียงเราความตายไม่ให้มันตายมันไม่ได้ในโลกนี้ เทียงเทียงสิเทียงก็แพ้มันแหละเหมือนภาพเขียนอะไรอย่าเจะให้เป็ดเป็นไก่ล้มพะชาวป่าเทียงดิเทียงมันก็ไม่เป็นเลยทำไงนะขุณก็เป็นบ้าแล้วนั่นแหละหัวข้อที่สิบไม่มีใครต้านทานพระพุทธภาสิตณสันติปุตตาตานายะณนะปิตาณนะปิพันธวา อันตะเกนาทิป น, นัตสะนัติยาตีสุตานตตาเอตะมะทะวสังยัตวาบันดิโตสีละสังวุโตนิพพานะขัมังมกคังคิปะเมวะวิโสทะเยแปลว่าเมื่อความตายมาถึงเข้าบุตรหรือบิดาหรือพวกพ้องก็ต้านทานไม่ได้ญาติทั้งหลายก็ต้านทานไม่ได้ บัณฑิตทราบความจริงเรื่องนี้แล้วเป็นผู้สำรวมในศีลชําระทางไปนิพพานให้บริสุทธิ์โดยเร็วความตายย่อมมาตามเวลาอันสมควรเสมอแม้จะรู้สึกว่าเร็วไปบ้างช้าไปบ้างตามสายตาของพวกเราแต่ความตายมีความยุติธรรมมาถึงตามกำหนดเวลา ท่านคงเคยได้ฟังยืนบ่อยๆถึงคนฆ่าตัวตายด้วยวิธีต่างๆเช่นกินยาตายยิงตัวตายเป็นต้นแต่ไม่ตายเพียงแต่สลบไปแล้วฟื้นขึ้นบางท่านก็กลับมาเล่าให้ญาติพี่น้องฟังมักจะเล่าตรงกันว่ายมบาบาลท่านให้คนเอาวิญญาณมาส่งเพราะยังไม่ถึงเวลาตายบุคคลผู้นั้นจึงฟื้นขึ้นมาแต่บางท่าน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 มันเป็นเพียงการเปลี่ยนจากพบหนึ่งไปสู่อีกพบหนึ่งพบหน้าจะดีหรือเลวก็สุดแล้วแต่กรรมของเราในปัจจุบันพบมนุษย์เป็นพบกลางๆงคือไม่ดีมากไม่เลวมากแต่ถ้าทำกรรมชั่วมากเมื่อเป็นมนุษย์ตายแล้วก็ต้องไปพบที่เลวเช่นนรกเปรตอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉาน ถ้าทำดีมากก็จะไปสู่พบที่ดีเช่นสวรรค์6ชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งซึ่งมีความสุขประนีตขึ้นไปโดยลำดับความทุกข์ในเมืองมนุษย์นั้นถึงทุกอย่างไรก็ไม่เท่าความทุกข์ในเมืองนรกความสุขในเมืองมนุษย์ก็เหมือนกันสุขอย่างไรก็ไม่เท่าความสุขในสวรรค์ความสุขในสวรรค์ก็ไม่เท่าความสุขของท่านผู้ได้ฌานความสุขของฌานทั้ง8ชั้นก็ไม่เท่าความสุขแห่งพระนิพพาน เพราะฉะนั้นท่านผู้มีสติจึงไม่ควรประมาทควรเว้นกรรมชั่วทำแต่กรรมดีอันนึงท่านผู้เป็นบัณฑิตทราบความแน่ชัดแล้วว่าเมื่อความตายมาถึงเข้าใครก็ต้านทานไว้ได้ดังนี้แล้วจึงตั้งใจเป็นผู้สำรวมในศีล ร, รีบชำระทางไปนิพพานให้บริสุทธิ์โดยเร็วพัน์เพราะนิพพานสุขนั้นเป็นสุขชั้นยอด เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวันวิหารทรงปรารภนางปต a จารามีเรื่องย่อ ด, ดังนี้เรื่องนางปต a จารามีพิสดารแล้วในสหัสสวรรคบรรณาซึ่งมีพระคาถาว่าผู้ใดไม่เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งสังขารแม้เป็นอยู่ร้อยปีความเป็นอยู่เพียงวันเดียวของผู้เห็นความเกิดขึ้น และความเสื่อมไปแห่งสังขารยังประเสริฐกว่าเรื่องย่อในที่นั้นว่านางปตจราเป็นธิดาเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีมีความรักใคร่กับคนใช้แล้วหนีพ่อแม่ไปอยู่ในป่าต่อมาสามีตายลูกสองคนตายนางจึงเดินทางมาสู่เมืองสาวัตถีทราบจากคนเดินทางผู้หนึ่งในระหว่างทางว่ามารดาบิดาของนางตายเสียแล้วเพราะบ้านพังทับ นางเสียใจมากจนสติวิปลาดไปผ้านุ่งผ้าห่มหลุดลุย่ยโดยไม่รู้ตัววิ่งร้องให้ไปทางวัดเชตวันเข้าไปในธรรมศาลาขณะนั้นพระาศาสดากำลังประทับแสดงธรรมยู่ท่ามกลางพุทธบริษัททรงใช้พุทธานุภาพจนนางปตาจารามีสติขึ้นมองดูตนเองแล้วมีความละอายพุทธบริษัทผู้หนึ่งโยนผ้าไปให้นางได้นุ่งหม่มและ สางโกเพราะพระพุทธดำ ร, ร, รัสเตือนพระาศาสดาทรงทราบว่านางปตจรามีความโศกเบาบางลงแล้วจึงตรัสว่าปตาจราปิยชนทั้งหลายมีบุตรเป็นต้นไม่สามารถต้านทานหรือป้องกันบุคคลไปสู่ผลโลกได้เพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นแม้มีอยู่ก็เหมือนไม่มีบัณฑิต ร, รู้อย่างนี้แล้วจึงรีบขวนขวายทาศีลให้บริสุทธิ์ ทำทางไปพระนิพพานให้หมดจดดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าณสันติปุตตาตานายะเป็นอาธิมีนายะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบพระธรรมเทศนานางปตาจาราได้บรรลุโสดาปติผลวักที่ยีสิบชื่อมขควันนารวมสิบเรื่องจบเรื่องนางปตาจาราก็เป็นเรื่องเด่น ในธรรมบทหึงส่วนมากก็จะได้ยินได้ฟังกันบ่อยจนกระทั่งว่าเขาเอาไปแสดงเป็นละครวิทยุบ้างไปเล่นเป็นนิยายบ้างอะไรบ้างหมอลำก็เคยเอาไปลำสมัยเป็นเด็กก็เคยได้ฟังหมอลำนละดีิสารเขาก็เสียงเพีย้ยนๆแต่ก่อนก็ไม่เคยอ่านธรรมบทต่อไป จะแสดงเรื่องปัตตาจะอะไรนะปัตตาจระกรรมสวนก็ว่างี้ยเดสั้นๆปัตตาจระกรรมสวนปัตตาจราก็คือเรื่องปัตตาจระเนี่ยเป็นเรื่องโศกแต่ก็เสียดายว่าฟังไปแล้วก็โศกเศร้าตามไม่มีใครสกิดใจให้รู้เรื่องชีวิตเรื่องธรรมะ ไม่ได้สีให้เห็นความพัดพลากจากของรักของชอบใจว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยก็เลยไม่ได้อัตถรสอะไรเท่าไหร่เนี่ยบางคนฟังแล้วไม่อยากฟังอีกมันเศร้าก็มันโศกมันเศร้า <c oughs> จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ให้คติให้ข้อคิดเราจะได้ตั้งตัวตั้งใจที่เราสวดทุวันทุกวันเราจะต้องพัดพลากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นเนี่ย แล้วความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นด้วยซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปต้านทานได้เนี่ยเรามีอะไรไม่ถึงกับขนาดมีบุตรมีธิดาเนี่ยมีสิ่งของแค่สิ่งของนี่เรารักหวงเห็นขนาดไหนเนี่ยมันก็ต้องไปจากเราเราก็ต้องไปจากมันเนี่ยท่านให้ซ้อมเอาไว้ก็เพราะเหตุเนี่ยเพราะเหตุแห่งความทุกข์เนี่ยถ้ารู้ไว้มันก็ดีกว่าคนไม่รู้ไง พอถึงเวลาก็ยังปงรงทรมสังเวชได้เนี่ยคนที่ไม่ได้เตรียมตัวเอาไว้ก็มีแต่ทุกอย่างเดียวร้องให้จะเรียกให้คืนมาคืนมาเมพ่อชาดนะตายไปแล้วก็ไปร้องให้คืนมาเธอคืนมาเธอ <c oughs> มองไม่เห็นความจริ ง, งใ น, ในหัวข้อที่21นี่นะว่าด้วยเรื่องเป็ตตะเล็ด คือปกิณกะวัคคะวันานาในหัวข้อที่หนึ่งสละสุขพอประมาณเพื่อสุขอันไพยบู์พระพุทธภาษิตมัตตาสุขะปริจาคาปัตเสเจวิปุลังสุขังจะเชมัตตาสุขังทีรังสัมปัสสังวังปุลังสุขังแปลว่านักปราชญ์มองเห็นอยู่ว่า เพราะสละสุขพอประมาณจึงประสบสุขอันภัยบูรณ์ฉะนั้นจึงสละสุขอันพอประมาณเสียเพื่อสุขอันภัยบูรณ์คิดดีๆนี่ก็น่าคิดเนี่ท่นานอธิบายว่าพระพุทธภาสิทธินี้ทํานองเดียวกับคําพังเพยไทยที่ว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานหมายความว่าอดทนไปก่อนยอมสละสุขเล็กๆน้อยๆเพื่อความสุขอันภัยบูรณ์ในบั้นปลาย ย่อมเหนื่อยไปก่อนเพื่อความสบายในปลายมือทัศนะในเรื่องการสแสวงหาความสุขนี้มีแตกต่างกันไปบางพวกเห็นอะไรเป็นความสุขความเพลิดเพลินก็จับชวยเอาทันทีโดยไม่รอตึกตรองว่าจะให้ทุกขในภายหลังหรือไม่บางพวกหยิบช่วยเอาความสุขเช่นนั้นบ้างในบางโอกาสบางพวกเห็นความสุขแล้ว และพอจะหยิบสวยเอาได้แต่พิจารณามากไตรตรองมากว่าความสุขเช่นนั้นจะเจือด้วยทุกข์หรือไม่จะมีโทษในภายหลังหรือไม่ mm hmm. เมื่อเห็นด้วยปัญญาอย่างแน่นอนแจม่มแจ้งแล้วว่าไม่มีโทษจึงหยิบฉวยเอาบางพวกเห็นว่าความดีคือความสุขความเพลิดเพลินอันใดให้ความสุขเพลิดเพลินอันนั้นคือความดีบางพวกเห็นว่าสัตว์ทั้งปวงย่อมดิ้นรนไปเพื่อแสวงหาความสุขหนีความทุกข์ พวกวัตถุนิยมเห็นว่าชีวิตต้องมีความสุขความเพลิดเพลินอะไรปิดอะไรถูกค่อยว่ากันทีหลังแต่เราต้องหาความสุขใส่ตนก่อนพวกจิตตนิยมเห็นว่าความสุขทางกายนั้นไม่สําคัญควรยอมทนทุกข์ทรมานทางกายเสียดีกว่าถ้าการกระทําเช่นนั้นก่อให้เกิดความสุขใจบางพวกเห็นว่าความสุขต้องเก็บทันทีที่มาถึงเข้าคือเอาไว้ก่อน การหวังน้ำบอ่อหน้าเป็นเรื่องไม่ควรทําเพราะน้ําบ่อหน้าอาจไม่มีก็ได้เมื่อเห็นว่าน้ําบ่อนี้พอกินได้ก็กินไปก่อนพวกนี้ไม่ยอมคอยความสุขในโลกหน้าบางพวกเห็นว่าการทําอย่างนั้นเป็นการเสียเวลาถึงจุดหมายปลายทางช้าควรอดทนเอาไว้เพื่อความสุขอันยิ่งใหญ่ทีเดียวพระพุทธภาสิทธิ์ข้างต้นนี้อยู่ในประเภทหลังนี้คือเห็นว่า ควรสละสุขอันเล็กน้อยเพื่อความสุขอันไพ่บูนควรสละสุขส่วนตัวเพื่อสุขส่วนรวมคนที่ยอมสละสุขเล็กน้อยเพื่อความสุขอันยิ่งใหญ่นั้นเปรียบไปก็เหมือนคนเก็บเงินสะสมไว้ไม่ยอมจ่ายเงินฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายยอมอดออมเพื่อจุดประสงค์อันยิ่งใหญ่อย่ า, ยยางใดอย่างหนึ่งเมื่อเก็บเงินไว้ได้ก้อนใหญ่แล้วก็จ่ายทีเดียวเช่นซื้อที่ดินปลูกบ้านใหญ่โตสวยงาม ได้เสวียความสุขอันประนีตไม่มีโทษอันเกิดจากการอดออมนั้นเป็นความสุขอันยั่งยืนวงเล็บในวิสัยแห่งผู้ครองเรือนส่วนคนผู้เก็บความสุขเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยไม่รู้จักอดออมได้เงินทองมาเท่าไหร่ก็ใช้จ่ายจนหมดเพื่อหาความสุขความเพลิดเพลินเป็นรายวันรายเดือนเขาก็หาความสุขเล็กๆน้อยๆได้เรื่อยไปเหมือนกันแต่เป็นความสุขอันไม่ยั่งยืนและมักเจือด้วยโทษ พูดถึงเรื่องเสี่ยงก็เสียงด้วยกันทั้งสองพวกคือพวกแรกเสี่ยงต่อปัจจุบันส่วนพวกหลังเสียงต่ออนาคตคือไม่ได้เตรียมตัวไว้เพื่ออนาคตเลยส่วนพวกแรกไม่ได้ให้ความสุขความพอใจแก่ตนเองทุกอย่างในปัจจุบันอันหนึ่งสังคมมนุษย์ยั่งยืนสงบสุขอยู่ได้ก็ด้วยการที่คนในสังคมยอมสละความสุขส่วนตนคนละเล็กคนละน้อย เพื่อประโยชน์แก่ความสุขส่วนรวมอันเป็นความสุขส่วนใหญ่กฎหมายบ้านเมืองลิตรรอนอำนาจอิสระเสรีบางอย่างของปัจเจ ก, กชนก็เพื่อประโยชน์ของชุมนุมชนหรือมหาชนเป็นการสละความสุขส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ถ้าต่างคนต่างมุ่งแต่กอบโกยความสุขใส่ตนไม่ได้เหลียวดูถึงความสุขสงบของส่วนรวมแล้วสังคมก็ต้องเดือดร้อนระสำ่ำระสาย เมื่อสังคมเดือดร้อนปเจกชนซึ่งเป็นส่วนย่อยของสังคมก็ต้องเดือดร้อนไปด้วยในทางกลับกันถ้าปเจกชนเดือดร้อนมากเข้าสังคมก็ระสำมระสายเหมือนกันเพราะสังคมก็คือการรวมกันแห่งปัจเจกชนสังคมจะเป็นสุขต่อเมื่อปเจกชนเป็นสุขแต่ต้องเป็นความสุขที่ตั้งอยู่บนความดีงามไม่ใช่สแสวงหาความสุขส่วนตนโดยการเบียดเบียนผู้อื่น ในความหมายชั้นสูงแห่งพระพุทธภาสิทธินี้ความสุขอันไพยบูรณ์ทรงหมายเอาความสุขคือพระนิพพานที่เรียกว่านิพพานสุขเป็นความสุขที่พระนีตยั่งยืนส่วนกามาสุขและฌานนสุขนั้นเป็นความสุขเล็กน้อยและสุขพอประมาณตามลำดับการมาสุขเจือด้วยทุกเสียเป็นส่วนมากฌานสุขเป็นของไม่แน่นอนเพราะฌานเสื่อมได้ไม่จัดเป็นความสุขอันไพบูรณ์ ส่วนนิพพานสุขเป็นสุขอันไัยบู์ควรสละสุขเล็กน้อยคือการมาสุขและสุขพอประมาณคือชาณสุขเพื่อความสุขอันไัยบู์คือนิพพานสุขนั้นเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เวรุวณารามเมืองราชสครึทรงปราลร บ, บุพกรรมของพระองค์เองมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้สมัยหนึ่งเกิดข้าวยากหมากแพงขึ้นในเมืองเวสาลี วงเล็บซึ่งเป็นเมืองที่เคยมั่งคั่งสมบูรณ์มากพวกคนยากจนตายก่อนเพราะความอดอยากแม้สมัยปัจจุบันนี้คนที่ต้องตายเพราะความอดอยากก็มีอยู่ทั่วอินเดียนี่ผู้เขียนศพถูกทิ้งเกลื่อนกราดทั่วไปพวกอมนุษย์เข้าสู่นรเพราะกลิ่นซากศพนั้นวงเล็บคืออมนุษย์ในที่นี้จะหมายรวมถึงสัตว์ร้ายด้วย ได้หรือไม่ผู้เขียนมนุษย์ได้ตายลงอีกมากเพรา ะ, ะมนุษย์นั้นเพราะมีสิ่งปฏิกูลมากอหิวาตะกรโรค ก, ก็เกิดขึ้นอะิวาตการโรคเนี่ยในพบาลีคือกาลโลกไม่ใช่อหิวาในความหมายอย่างไทยมนุษย์ต้องตายอีกมากเพราะอหิวานั้นรวมความว่าเวลานั้นมีภัยสามอย่างเกิดขึ้นในนครเวสาลีคือ ภัยจากความอดอยากภัยจากอมนุษย์และภัยจากโรคมหาชนประชุมกันกราบทูลพระราชาว่าตั้งเจ็ดชั่วรัชการมาแล้วภัยเห็นป่านนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยภัยอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นในสมัยแห่งพระราชาผู้ทรงธรรมพระราชารับสั่งให้มหาชนมาประชุมกันที่ท้องพระโรงให้พิจารณาความประพฤต หรือพระจริยาวัดของพระองค์ว่ามีข้อบกพร่องอะไรบ้างประชาชนพิจารณาแล้วก็ไม่ได้เห็นข้อบกพร่องหรือการประพฤติผิดธรรมใดๆของพระราชาเลยจึงปรึกษากันต่อไปว่าทำอย่างไรภัยเหล่านั้นจึงจะสงบลงได้บางพวกออกความเห็นให้ทำพรีกรรมบวงสรวงเทวดาแม้ทำพิธีนั้นแล้วภัยก็ยังไม่สงบ บางพวกเสนอให้เชิญครูทั้ง6มาเพราะครูทั้ง6มีอนุภาพมากบางพวกเสนอให้ทูลราตนาพระพุทธเจ้ามาเพราะพระพุทธเจ้าทรงมีอนุภาพมากเมื่อเสด็จมาภัยทั้งปวงก็จะระ ง, งับได้ที่ประชุมตกลงให้ทูลเชิญพระพุทธเจ้าเวลานั้นพระาศาสดาประทับอยู่ที่เมืองราชเครราชสถานีของพระเจ้าพิมพิสาร ทางนครเวสาลีจึงส่งมหาฤชวีและบุตรปุโรหิตคนหนึ่งเป็นผู้แทนไปทูลเชิญพระาศาสดาและขอให้ไปขออนุญาตพระเจ้าพิมพิสารเสียก่อนพระเจ้าพิมพิสารขอให้ราชาทูตแห่งเวสาลีไปทูลอาราธนาพระศาสดาเอาเองจะทรงรับหรือไม่ก็สุดแล้วแต่พระพุทธอัธยาศัยราชาทูตไปเฝ้าพระศาสดาทูลอาราธนาให้เสด็จเมืองไวสาลี หรือเวสาลีเพื่อรั ง, งับภัยทั้งสามประการพระพุทธองค์ทรงไพรควรแล้วเห็นว่าภัยเหล่านั้นจกระ ง, งับเพราะการเสด็จไปของพระองค์จึงทรงรับราธนาพระเจ้าพิมพิสารให้ทำหนทางเสด็จพุทธดำเนินระหว่างกรุงราชฤิแม่น้ำคงคาเป็นระยะทางห้าโย์ให้เรียบร้อยสวยงามให้จัดที่พกักไว้ทุกๆระยะหนึ่งโย เมื่อพระาศาสดาเสด็จพร้อมด้วยพุทธบริวาร500พระราชารับสั่งให้ประชาชนโปรยดอกไม้ห้าสีตลอดระยะทางที่สเสด็จให้ยกผงหลากสีให้กั้นเวตรัตัดสำหรับพระาศาสดาและภิกษุสงฆ์พระาศาสดาเสด็จจากราชครึ่ถึงริมแม่น้ำคงคาเป็นเวลา5วันประทับเรือเพื่อข้ามฝั่งไปยังเมืองเวสาลีคงสเสด็จประทับเรือ ที่ท่าเมืองปาตลีบุตรหรือปัตตนาปัจจุบันนี้ก็มีเรือยนจากปัตตนาไปเวสาลีและจากเวสาลีมาปัตตนาเมื่อผู้เขียนไปอินเดียได้ไปที่ท่านี้พระเจ้าพิมพิสารทรงส่งข่าวไปยังชาวเวสาลีว่าขอให้เตรียมรับเสด็จด้วยเถิดชาวเมืองเวสาลีคิดว่าจะทำพิธีต้อนรับพระศาสดาให้เป็นทวีคูณคือสองเท่า กับที่พระเจ้าพิมพิสารทรงกระทรรมจึงให้จัดหนทางให้สะอาดเรียบร้อยสวยงามเป็นระยะทางสามโยตจากเวสาลีมายัางริมฝั่งแม่น้ำคงคาให้คนถือฉัดสำหรับภะษาสดาสี่คันสำหรับภิกษุทรงรูปละสองคันมายืนรอกันอยู่ที่ริมแม่น้ำคงคาพระเจ้าพิมพิสารขนานเรือสองลให้ทาพระปลาประดับด้วยพวงดอกไม้เป็นต้น ทรงส่งเสด็จพระาศาสดาในน้ำลึกเพียงพระสอแล้วกราบทูลว่าพระองค์จะประทับ ร, รออยู่ทางฝั่งนี้จนกว่าพระาศาสดาจะเสด็จกลับพระาศาสดาเสด็จโดยทางเรือเป็นระยะทางประมาณหนึ่งโยชนึงถึงเขตของเมืองเวสาลีพวกเจ้าลิชวีแห่งเวสาลีลุยน้ำลงมาต้อนรับให้น้ำลึกเพียงพระสอเหมือนกันแล้วนำเรือเข้าฝั่ง เชิญเสด็จให้ลงจากเรือพอพระศาสดาเสด็จขึ้นจากเรือเหยียบฝั่งแม่น้ำเท่านั้นฝนโบกคารพัดก็ตกลงมาน้ำเจิ่งนองไปทั่วพัดผ่าเอาซากศพทั้งปวงลงแม่น้ำไปทำให้ภูมิภาคสะอาดเรียบร้อยเจ้าฤิศวีทูลให้พระศาสดาประทับแรมในระยะทุกทุกหนึ่งโยต์ถวายมหาทานทุกแห่งเป็นทวีคูนเสด็จถึงบางเวสาลีในวันที่สาม เมื่อพระาศาสดาเสด็จถึงพวกถวยเทพก็ชวนกันมาเฝ้าด้วยอานุภาพแห่งเทพผู้มีสักใหญ่พวกอมนุษย์ก็หนีไปโดยมากในเวลาเย็นพระาศาสดาประทับยืนที่ประตูพระนครเวสาลีรับสั่งให้พระอานุนเรียนรัตนสูตรจากพระองค์ทำน้ำพระพุทธมนต์แล้วพรมให้ทั่วนครเวสาลีภายในกำแพงสามชั้นพระอนุนรับพระพุทธบัญชาแล้วเรียนรัตนสูตร เอาป้านศิลาของพระศาสดาตักน้ำยืนอยู่ที่ประตูพระนครและลึกถึงพระคุณของพระพุทธองค์มีพระบารมี10บเป็นต้นแล้วก็ไปยังนครทำปริทในกำแพงสามชั้นตลอดคืนพวกอมนุษย์ทั้งปวงได้หนีไปพวกมนุษย์ที่ได้รับน้ำพระพุทธมนต์ก็หายจากโรคพระศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับรัตนสูตรนั่นเองตลอดเจวัน เมื่อจบพระธรรมเทศนาการบรรลุธรรมได้มีแก่ชนเป็นอันมากเมื่อทรงทราบว่าภัยทั้งปวงสงบลงแล้วจึงเสด็จออกจากเมืองเวสาลีพวกเจ้าลิศวีทรงเสด็จด้วยสการะอันใหญ่มาถึงริมฝั่งแม่น้ําคงคาในการเสด็จกลับครั้งนี้พระาศาสดาได้รับการบูชาเป็นอันมากทั้งจากนาคมนุษย์และเทวดาทุกเหล่าชั้นเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนักเมื่อพระพุทธองค์เสด็จข้ามฟากจากฝั่ง เวสาลีมาสุฟังมโคตรแล้วพระเจ้าพิมพิสารส่งตอนรับอัญเชิญพระุธองค์ให้เสด็จลงจากเรือทรงกระทำสการะเป็นทวีคูณนำพระาศาสดาสเสด็จสู่นครราศสครึเป็นเวลาห้าวันโดยในยักก่อนเย็นวันหนึ่งพวกภิกษุประชุมสนทนากันที่ธรรมสภาถึงพุทธานุภาพที่มีอย่างมากล้นพระพุทธองค์ทรงเป็นที่เลื่อมใสของนาคมนุษย์และถวยเทพทั้งปวง พระศาสดาสเสด็จมาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วตัดว่าภิกษุทั้งหลายเครื่องบูชาและสการะนี้ไม่ได้บังเกิดขึ้นแก่เราด้วยพุทธานุภาพไม่ได้เกิดขึ้นด้วยอานุภาพของนาคเทวดาและพรหมแต่เกิดขึ้นด้วยอนุภาพแห่งการบริจาคอันเล็กน้อยในอดีตเมื่อภิกษุทั้งหลายอ้อนวอนให้ทรงแสดงเรื่องนั้นจึงตัดเล่าเรื่องสุสิมมานพดังนี้ อุปกรรมของพระพุทธองค์ในอดีตการในเมืองตกศิลามีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อสังขะมีบุตรคนหนึ่งชื่อสุสิมะเมื่ออายุสิบกปีสุสิมะขออนุญาตบิดาไปเพื่อไปเรียนมนที่เมืองพาราณสีสังขพราหมณ์จึงแนะนำให้บุตรไปหาอาจารย์ผู้หนึ่งซึ่งเป็นสหายของตนอยู่เมืองพาราณสีนั้นสุสิมะเป็นคนฉลาดจึงเรียนมนได้อย่างรวดเร็ว เรียนได้มากที่เรียนแล้วก็จำได้แม่นไม่เสื่อมแต่ได้เห็นแต่เบื้องต้นและท่ามกลางแห่งศิลปะที่ตนเรียนเท่านั้นไม่เห็นที่สุดเขาจึงบอกความข้อนั้นให้อาจารย์ทราบอาจารย์รับว่าตนก็ไม่เห็นเหมือนกันเมื่อมานอบถามว่าใครเป็นผู้เห็นที่สุดแห่งมนต์อาจารย์จึงแนะนำให้ไปหาฤาษีพวกหนึ่งที่อยู่ณนะป่าอิสิ ป, ปตนะ สุสิมะเข้าไปหาพระปเจกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ป่าอิสิปตนะขอเรียนที่สุดแห่งมนต์และพระปัเจกับพุทธะกล่าวว่าไม่อาจบอกมนต์แก่ผู้ยังไม่บวชได้ถ้าทัดประสงค์เรียนมนต์ก็ต้องบวชสุสิมะยอมบวชไม่นานนักได้บรรลุปัจเจกโพธิญาณเพราะตนเป็นผู้มีอุปนิสัยสมบูรณ์แล้วปรากฏเป็นผู้เด่นดุดดวงจันทร์วันเพ็ญปรากฏในท้องฟ้า เป็นผู้เลิดด้วยลาบสการะและยศไม่นานนักก็ปรินิพานเพราะได้เคยทำกรรมอันอำนวยผลให้เป็นผู้มีอายุน้อยพระประเจกพุทธเจ้าทั้งหลายและมหาชนได้ช่วยเผาสรีระของท่านแล้วเก็บเอาพระาธาตุประดิษฐานไว้นาสถูกใกล้ประตูเมืองพราราณสีฝ่ายสังฆพรามผู้เป็นบิดาเมื่อบุตรหายไปหลายปีใครจะได้เห็นบุตรบ้างจึงออกจากตะกศิลามุ่งไปเมืองพราราณสี เห็นมหาชนประชุมกันอยู่ณท so? ี่แห่งหนึ่งคิดว่าในกลุ่มชนเหล่านี้คงจะมีใครคนหนึ่งที่รู้จักสุสีมะเป็นแน่จึงถามทราบความทั้งปวงแล้วเศร้าโศกคร่ำครวญไปยังลานพระเจดีถอนยาขึ้นเอาผ้าห่มนำทรายมาเกลี่ยลงที่ลานพระเจดีประพรมด้วยน้ำในรักจันทร์บูชาด้วยดอกไม้ป่าเอาผ้าสาดกทำธงผูกฉันบนพระสถูปแล้วหลีกไป พระศาสดานำเรื่องนี้มาเล่าแล้วตัดต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายเราได้เป็นสังฆพรามในการนั้นเราได้ถอนหญ้าที่ลานพระเจดีย์ด้วยอาณิสงนั้นชนทั้งหลายจึงทำทางแดโยตให้ปรากฏโดยปัสะจาตอและหนามทำให้สะอาดมีพื้นสมําเสมอเราได้เกลี่ยทรายลงในลานพระเจดีย์ด้วยผลแห่งกรรมนั้นชนทั้งหลายจึงเกลี่ยทรายลงในทาง8โยต เราบูชาด้วยดอกไม้ป่าที่สถูปด้วยผลแห่งกรรมนั้นส่วนทั้งหลายจึงโปรยดอกไม้หลากสีลงในทาง8โยอเราได้ประพรมพื้นที่ลานเจดีย์ด้วยน้ําในลักจันด้วยผลแห่งกรรมนั้นฝนโบกครพัทจึงตกในนครเวสาลีเราได้ยกธงและผูกฉัดไว้บนลานพระเจดีย์ด้วยผลแห่งกรรมนั้นจักรวาลจึงเป็นดุดมีมโหรสพโดยทั่วด้วยธงชัยธงแผ่นผ้าและฉัด ภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าบูชาสการะที่เกิดขึ้นคราวนี้หาใช่เพราะอนุภาพของพระพุทธเจ้านาคมนุษยเทวดาหรือผมไม่แต่เกิดขึ้นด้วยอนุภาพแห่งการบริจาคประมาณเล็กน้อยในอดีตในสมัยเมื่อเราเป็นสังฆพรามดังนี้แล้วตรัดพระคาถาว่ามัตตาสุขปริจจาคาเป็นอาทิมีนยะดังพร น, นามาแล้วแต่ต้น อันนี้ก็น่าจะชี้ให้เห็นกรรมกรรมที่กระทาเอาไว้เนี่ยแล้วก็เป็นหลักความจริงเ่ผลที่จะเกิดขึ้นก็เพราะกรรมคือการกระทำท้งปัจจุบันและอดีตเนี่ยอดีตทำกรรมใดไว้มันก็ให้ผลเนี่ยก็ไปตต้องดูยากนะเนาะอย่างเรามานั่งกันอยู่นี่ก็มาเพราะกรรมเหมือนกันนี่ไม่มีกรรมก็ไม่ได้มาเนี่ยแต่เป็นกรรมที่ดีเนี่ย อาจจะเคยเป็นลูกศิษย์หรือศีองคใดองค์หนึ่งแต่ก่อนก็ไม่รู้ว่าเลยมานั่งอยู่ที่นี่นั่น น, น, นั่นก็กรรมนิดหอึ่งนะเราพระเจ้าเองท่านยังยกให้กรรมเห็นไหมนี่ท่านว่าไม่ไมใช่อานุภาพของท่านแต่ผลกรรมที่ท่านเคยกระทำเอาไว้แต่ก่อนได้กระทาทานไว้นิดหน่อยเห็นไหมนิดหน่อยแต่อานิสงส์มากอันนี้ไม่แน่นอนนี่นิดหน่อยแต่ว่าด้วยจิตด้วยใจด้วยจิต ใจที่ศรัทธาเริ่มใสเนี่ยดังนั้นเป็นพลังอันยิ่งใหญ่นของน้อยก็กลายเป็นของมากมีอานิสงส์มากกว่านั้นแหละนีก็โดยอย่างเหมือนเหมือนคนฉลาดเนาะเราเคยอ่านานิทานอิศพเนี่ยแสดงถึงคนฉลาดกับคนไม่ฉลาดเนเออพระราชาให้ทรัพย์เท่าๆกันเน่ทรัพย์แก่ไม่กี่ไัยไม่กี่เบี้ยรหรอกสมัยก่อน แต่คนหนึ่งก็ไปซื้อของมาวันเดียวกินหมดเลยก็ <c oughs> ได้เยอะเหมือนกันนะแต่คนหนึ่งไม่ทาอย่างนั้นนะไปซื้อเมล็ดพันธุ์ผักมานี่คิดการไก่นี่เอามาปลูกปลูกแล้วมันก็ขายายตัวออกขายายออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆ เ, ย เ, ยเยนี่ยเห็นหขายายจนจากหนึ่งเมล็ดเนี่กลายเป็น10 20 30สิามสิบกลายต้นจากต้นหนึ่งเป็นสองต้น1ิ 10, ต้น20ต้น ร้อยต้นพันต้นเห็นไหมมีอานิสงส์มากเนี่ยคนฉลาดนี่ทำกรรมน้อยก็มีอานิสงส์มากเหมือนกันเนี่ยคนไม่ฉลาดแม้ได้มากก็ได้อานิสงส์น้อยใช้ไม่เป็นเหมือนคนได้ทรัพมาเอาไปในทางอบายใช้ในทางอบายอาจจะมีสุขโลกๆในปัจจุบันของเขาเนี่ยแต่สุดท้ายอานิสงส์มันก็ไม่มีมีแต่ให้ทุกขเป็นผลนแต่คนฉลาดได้ทรัพย์มาแม้น้อยก็สามารถที่จะต่อเอาทรัพย์มากได้ คือเป็นสุขอนภัยบุญนี่รัให้ข้อคิดได้ดีๆทั้ทงนั้นแหละข้อที่สองผู้ละคนด้วยเวรพระพุทธภาษิต巴ะทุกขูปะทานเนนะโยอัตโนสุขมิตรติเวรสังสักขสังสัตโถเวราโสนะปริมุจจติ แปลว่าผู้ใดหวังสุขแก่ตนโดยการก่อทุกข์ให้ผู้อื่นผู้นั้นเป็นผู้ระคัด้วยเวรย่อมไม่พ้นจากเวรอธิบายว่าการต้องการความสุขการหวังความสุขและการชื่นชมต่อความสุขนั้นเป็นสามัญแก่คนและสัตว์ทั่วไปความสุขเป็นความหวานใจของปวงสัตว์มีชีพสัตว์ทั้งปวงจึงดิ้นรนสแสวงหา อันหนึ่งแม้เพียงรู้ว่าอะไรเป็นปัจจัยแห่งความสุขเขาก็พยายามยึดเหนี่ยวปัจจัยนั้นไว้เช่นเงินเกียรติยศชื่อเสียงเป็นต้นการสแสวงหาความสุขที่ควรตําหนิก็มีที่ควรสรรเสริญก็มีการสแสวงหาความสุขเพื่อตนโดยการก่อทุกข์ให้แก่ผู้อื่นเป็นกิจควรตําหนินการสแสวงหาความสุขเพื่อตนโดยไม่ก่อทุกข์ให้ผู้อื่นเป็นกิจควรยินดีส่วนการแสวงหาความสุขเพื่อตนโดยการกให้สุข แก่ผู้อื่นด้วยเป็นกิจควรสรรเสริญผู้สแสวงหาความสุขหวังความสุขเพื่อตนโดยการก่อทุกข์ให้แก่ผู้อื่นย่อมเป็นการระกคนคุกเขาเ่าไปด้วยเวรย่อมไม่พ้นจากเวรตัวอย่างเช่นหาความสุขจากการฆ่าเขาเบียดเบียนเขายักยอกช่อโกงเขาคบชู้สู่สาวสู่ชายกับภรรยาสามีเขาพูดเท็จหักลานประโยชน์ของเขา การหาความสุขอย่างนี้ไม่พ้นจากเวรและบาป ก, กรรมนอกจากถูกจองเวรในชาตินี้กรรมนั้นยังเป็นเวลานุเวรตามไปในชาติหน้าอีกด้วยความทุกขย่อมตกมาถึงตนไม่เร็วก็ช้าเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าทุกขโตทุกขถานังให้ทุกแก่ท่านทุกนักนกน้นถึงตัวสุขโตสุขถานังให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตัวสัต ทั้งหลายใไขความสุขผู้ใดสแสวงหาความสุขเพื่อตนแต่เบียดเบียนผู้อื่นผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมไม่ได้รับความสุขบ้างผลแห่งกรรมชั่วบางอย่างคนอื่นไม่รู้มองไม่เห็นแต่ตนของตนเป็นผู้รู้มองเห็นอยู่ทุกวันผลแห่งกรรมชั่วเกิดแก่ความรู้สึกเข้ามาทรมานอยู่ภายในใจแม้ทำมาแล้วตั้งสิปี20ปีก็หาลบเลือนไป จากใจไม่พอมีใครพูดถึงกรรมทํานองเดียวกันจิตของผู้ที่เคยทํากรรมอย่างนั้นก็หวนและลึกถึงกรรมของตนขึ้นมาอีกเหมือนมีหอกมีดาบคอยทิ่มแทงอยู่เสมอในทางกลับกันคนทากรรมดีกรรมอันให้ความสุขทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นเปรียบเสมือนดอกไม้ทิพย์ที่มีกลิ่นหอมกุ่นอยู่เสมอใครอื่นไม่รู้ไม่เห็นแต่ตนของตนเป็นผู้รู้ผู้เห็น ระลึกขึ้นทีไรก็มีความชุ่มชื่นใจที่นั้นแม้ทำมาแล้วตั้ง20ปี30ปีก็หาลบเลือนไม่ยังคงให้ความสุขความอบอุ่นแก่ดวงใจอยู่ตลอดเวลาด้วยประการชน้จึงไม่ควรสแสวงหาความสุขเพื่อตนโดยการก่อทุกข์ให้แก่ผู้อื่นแต่ควรสแสวงหาความสุขเพื่อตนและให้สุขแก่ผู้อื่นพร้อมๆกันไปจึงจะได้ประสบสุขแท้จริง เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวันารามทรงปราลรกุมาริกากินไข่ไก่มีเรื่องย่อ ด, ดังนี้ชาวประมงคนหนึ่งในหมู่บ้านปันทุระใกล้เมืองสาวัตถีวันหนึ่งเขาเดินทางเข้าไปยังเมืองสาวัตถีพบไข่เต่าที่ริมฝั่งแม่น้ำอจิรวดีจึงถือติดมือไปด้วยเขาพักที่บ้านเพื่อนให้เพื่อนต้มไข่เตากิน และให้ไข่ฟองหนึ่งแก่เด็กหญิงลูกสาวของเพื่อนในเรือนนั้นเธอติดใจรสของไข่เต่าตั้งแต่วันนั้นมาไม่ปรารถนากินอาหารอย่างอื่นมารดาของเธอจึงเอาไข่ไก่ให้กินเธอกินไข่ไก่แล้วอันความติดใจในรสผูกพันแล้วจำเดิมแต่นั้นเธอเอาไข่ไก่ในรังไก่มากินเองทีเดียวในเวลาตกฟองแม่ไก่เห็นเด็ก หญิงคนนั้นเดินมาเอาไข่ของตนไปกินเซะถึงสามครั้งมีจิตปัสสายในกุมารีนั้นผูกอาคาดว่าเราตายจากชาตินี้ขอให้ไปเกิดเป็นสัตว์ที่สามารถกินทารกของนางคนนี้ได้แม่ไก่ตายแล้วไปเกิดเป็นนางแมวส่วนกุมาริกาไปเกิดเป็นแม่ไก่ในเรือนนั้นเมื่อแม่ไก่ตกฟองนางแมวมากินแซะถึงสามครั้ง แม่ไก่ตั้งความปรารถนาว่าตายแล้วขอให้ไปเกิดเป็นสัตว์ที่กินทารกของนางแมวได้ทั้งสองตายไปแม่ไก่ไปเกิดเป็นแม่เสือเหลืองนางแมวไปเกิดเป็นนางเนื้อเมื่อนางเนื้อคลอดลูกนางเสือเหลืองมากินเสียทุกครั้งสองสัตว์ผูกเวรานุเวนกันอยู่อย่างนี้ก็ทุกข์ให้แก่กันและกันสิ้น500อัตภาพในที่สุดนางคนหนึ่งเกิดเป็นยักษิศี วงเล็บคงจะเป็นนางเนื้ออีกนางหนึ่งเกิดเป็นกุลธิดาในเมืองสาวัตถีนั่นเองวงเล็บคงจะเป็นนางเสือเหลืองกุลธิดาคลอดบุตรทีไรยักษินีซึ่งปลอมมาในร่างของสหายของกุลธิดากินเสียสองครั้งถึงครั้งที่สามนางไปที่อื่นเมื่อคลอดบุตรแล้วจึงนำลูกกลับมายังเรือนแห่งสามียักษินีเที่ยวติดตามอยู่มาพบเข้าที่ริมสระน้าหน้าวัดเจตวัน นางจึงนําบุตรน้อยวิ่งเข้าไปในวัดเชตวันขณะที่สามีของนางกําลังอาบน้ําอยู่ขณะนั้นเป็นเวลาเย็นพระาศาสดากําลังแสดงธรรมแก่พุทธบริษัทอยู่กุลธิดานําบุตรของตนไปวางไว้ใกล้พระผู้มีพระภาคขอให้พระองค์ช่วยชีวิตบุตรของตนด้วยนางยักษ์ตามเข้ามาแต่ด้วยพุทธานุภาพจึงไม่อาจจับเด็กกินได้พระาศาสดาตรัดสอนให้นางยักษ์เลิกประกอบกรรมชั่วเช่นนั้นเสีย ทรงเล่าให้ฟังว่าทั้งสองได้ก่อเวลานุเวนกันมาอย่างไรขอให้เลิกจองเวนกันเพราะเวนย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวนดังนี้แล้วได้ตัดพระคาถาว่าประทุกข์ขูปทาเนณะเป็นอาทิมีนยะดังพรนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบพระธรรมเทศนายักษณนีตั้งอยู่ในสินห้าและสารณะสมพ้นจากเวนส่วนกุรธิดาได้บรรลุโสดาปฏิผล อันนี้ก็เป็นเรื่องเวรการจองเวรมันไม่มีที่สิ้นสุดถ้าบุญไม่มีไม่พบพระพุทธเจ้าหรือพบพระอรหันต์เวรมันก็เป็นวัตรสงสารผูกพันกันไปเราจะเห็นว่าสัตว์ที่เป็นอ ภ, พภัพนะัสส เป็นาภาพภัพษัตก็คือสัตว์ที่อาภาัพเนีแปลตามนุตโตมว่าอาภาพัภาพพระสัตรคืออัตภาพของมนุษย์นี้ที่จะพัฒนาได้ถ้าเป็นอาภาัพษัตนี่พัฒนาไม่ขึ้นนีไม่รู้ดีไม่รู้ชัวนี่ยอย่างสัตว์ดิฉานเนี่มันก็ทําตามความปรารถนาของมันตามทำตามความอยากเนี่มันก็จะอาฆาตกันไปตลอดน จึงเรียกว่าเป็นวัตตะสงสารวนไปวนมากลับกันเป็นโน่นกับเป็นนี่อาฆาตกันฆ่ากันไปอยู่เรื่อยเนี่ไม่มีที่สิ้นสุดนี่ถ้าเราดูสารคดีดูแล้วก็ปงสังเวชอยูเหมือนกันเห็นชัดเลยว่าโอ้โหนี่มันเป็นอย่างนี้จริงจมันก็เอารัดเอาเปรียบนยีบางทีความรักของมันรักลูกของมันแต่ไปแย่งเอาลูกของคนอื่นไม่ให้ลูกมันกินอย่างงี้นี่มันก็จะจองเวรกันอยู่อย่างนี้แหละ เ, เกิดกลับไปกลับมานี่ย มันก็ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยดัะนั้นอัตภาพมนุษย์นี้จึงเป็นอัตภาพที่ประเสริฐน ะ, ะจะพัดจะพลูใช่ไหมบุญก็มีก <c oughs> ็เกิดเป็นมนุษย์ได้นคนหนึ่งเป็นยักษ์ก็จริงเนี่ยคนหนึ่งเป็นมนุษย์ อ, อยู่ในวิสัยอยู่ในขายของวดจ้าจะช่วยได้นเนี่ยก็ได้โชคดีไปก็ไม่ก่อกรรมทำเวนกันน ะ, ะาไม่เช่นนั้นก็คงจะไปกันยาวนานนี่แหละ อายังธรรมกถาสาทยเสมติหิสันหลักเกตปาติ